สิ่งที่ยากกว่าการอภัยคือการทำดีกับคนที่ทำร้ายคุณก่อนทำอย่างไรถึงจะปรารถนาดีอย่างบริสุทธิ์ใจกับคนที่มาทำเรื่องแย่ๆกับคุณได้สิ่งที่ยากกว่าการอภัยคือการดีตอบกับคนที่ร้ายกับคุณก่อนสำหรับคนทั่วไปอาจฟังดูว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้หรือแม้เป็นไปได้ ก็ไม่ควรทำแต่สำหรับคนมองชีวิตเป็นเกมกรรมการดีตอบไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยตรงกันข้ามกลับเป็นการโกยคะแนนพิเศษเป็นสองสาเท่าของคะแนนทำดีปกติด้วยซ้ำไปเมื <ME> ่อมีแกจใจตั้งความปรารถนายังบริสุทธิ์ปราศจากสิ่งเคลือบแฝงคุณก็ย่อมมีทุนพอ ที่จะพูดดีและทำดีกับเขาในเวลาต่อมาฉะนั้นปัญหาอยู่แค่ที่ใจทำอย่างไรคุณถึงจะตั้งมั่นความปรารถนาดีอย่างบริสุทธิ์ใจกับคนที่มาทำเรื่องแย่ๆกับคุณได้ก่อนอื่นคุณต้องสร้างกำลังใจให้ตนเองกำหนดใจลงไปให้แน่วแน่ว่าคุณกำลังอยู่ในเกมกรรมจริง ซึ่งแปลว่าการทำดีตอบคนที่ร้ายกับคุณก่อนต้องเป็นการทำคะแนนอย่างสูงหากทาได้สาเร็จจะต้องมีเรื่องดีๆที่คาดไม่ถึงปรากฏให้เห็นเป็นผลลัพธ์ยางแน่นอนหากคุณไม่รอดูเหตุการณ์ภายนอกแต่เฝ้าสังเกตเหตุการณ์ภายในจิตใจอันสับสนอลมานของตนเองก็จะพบภาวะมหัศจรรย์ที่เรียกว่ามหาสมณนัต คุณเป็นคนดีคุณทำในสิ่งยากที่ใครจะทำได้และธรรมชาติของจิตก็สนองคืนให้ด้วยความรู้สึกที่ล้ำลึกเกินพันนาการตั้งความปรารถนาดีไว้ล่วงหน้าชนิดง่ายอาจจะอยากพูดให้เขาเป็นสุขอยากทำบางอย่างให้เขาสบายซึ่งนั่นก็คือรูปแบบหนึ่งของการแผ่เมตตา นี่บาปนี่เวรจะหมดไปอย่างรวดเร็วด้วยการชาล้างของเมตตาจิตยิ่งคุณแผ่เมตตาได้เข้มแข็งหนักแน่นและต่อเนื่องเพียงใดบาปเวรก็จะยิ่งถอยห่างออกไปมากเท่านั้นขอให้จดจำกฎแห่งเกมกรรมข้อนี้ไว้เป็นหลักแล้วเฝ้าสังเกตดูว่าเป็นความจริงไหมหากเป็นจริงคุณจะได้ตื่นเต้นกับการเล่นเกมกรรม ด้วยความรู้ความเข้าใจใหม่ๆเสียที